พระเจ้าวาดใหม่ได้เข้าทำการอุปโภรมถวายความรู้ของเจ้าวาดภาบสิบมีจังหวัดปุบันราธานีจังหวัดนครบนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสิษกิจังหวัดเชษฐอทรและจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณร้อร้อยรูปได้เข้าทำการฝึกอบรมถวายความรู้ตามความมุ่งหมายของกรมการศาสนาเพื่อพัฒนาพระสังฆติการให้มีความรู้ยิ่งขึ้นวันนี้เป็นวันที่ กำหนดตามตารางว่าเป็นวันที่ทัศนศึกษาเพื่อกระผมก็ได้ออกจากวัดมาประมาณแปดนลิกากว่าก็เดินทางออกจากวัดมหาธาตุพระอารามหลวงก็ได้มาพักสันเพลนที่อำเภอกุสมวัดอะไรอำเภอไส่มุล วัดบรุรภารามใต้เมื่อฉันเป็นเสร็จก็เดินทางมาก็ได้มาถึงที่นี้ด้วยความบุญกุศลของพระสังฆาธิการเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความอุตสาหะวิริยะโดยเฉพาะขึ้นมายังวัดนี้ ท่านพระสังฆาธิการก็รู้สึกว่าได้กําลังในการขึ้นครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้มีอายุท่านก็อุตสาหะขึ้นมาจนได้กับผมรู้สึกมีความเพิ่มปีติยินดีในทัศน์ในานามของพระสังฆาธิการที่เข้าฝึอกอบรมในครั้งนี้มีความพื่มปีติยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ขึ้นมาอย่างวัดที่หลวงปู่อยู่นี้มีความสุขเป็นอย่างมากทีเดียวพร้อมทั้งเด็กมาเห็นหลวงปู่บัดนี้พวกกระผมก็ขอคาระวะหลวงปู่เพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่ง ในการขาละวะตาและพวกกระผมก็หวังจะฟักรับฟังโอวาทจากหลวงปู่เพื่อความเป็นิริมงคลด้วยนา ก, การปัดนิมหาเทเรปรมาเดนนวาวรัตเยนักตังสับบังอรารตังคมตุนโนพันเตนะ เทรมเดนดวารทะเยนาคตังสับบางะปาระตังมะตุโนันเถหมหาเทรมเนาดวารตะเยนากตังสับบางะปาระตังขมะตุโนันเถมหาเถระชั้นที่หนึ่ง คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองคือพระปัจเจกท้างหลายชั้นที่สามอรหันตตาชีนาศทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยต่อมาอีกก็พระอนาคามีทั้งหลายต่อมาอีกก็คือพระสักขากามีทั้งหลายต่อมาอีกก็คือพระสวัสดาบาลทั้งหลายซึ่งเป็นโลพุตระมหาเถระ เมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวิจิกรรมสี่มโนโกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พว ก, กนก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจึงทรงอดโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลนุดท่าพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนในปัจจุบั น, นจิตปัจจบันธรรม ทุกคนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี่ก็ดีต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสาวิชีกรม 4, มรมสี่มโนกรรมสาอันใดอันหนึ่งมาแต่พกก่อนก่อนก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าทั่วทั้งไตโรโลกาต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณผลุดท่ทายพวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าทั่วทั้งไตโรโลกา ทรงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศ า, าสนาของพระสมณยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกทอนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเือเจอทุกคำสอนใดในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดพระพุทธศาสนาสอนหมดแล้ว เราเกิดมาเจอมาเจอมาพบพระพุทธศาสนาโชคดีแล้วไม่ได้ต้องค้นคว้าว่าจะสอนกันไปด้วยวิธีไหนพระบรมศาสรา ส, าสอนหมดแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติก็บริบูรณ์แล้วทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะเส้นเชิงแล้วเหตุนั้นจึงยอมเข้าสู่อนุปาสิเสสนิพานไปซะ เป็นเพียงเราชอบขนาดไหนก็ปฏิบัติเอาเท่านั้นสิ่งไหนหนที่พระบรมศ า, ศาสดามันจะสอนไม่มีเลยไม่มีที่รีรับเลยในมหาปรินิพานสูตรจึงบอกว่าท่านทั้งหลายอย่ามาหวังอะไรกับเราเลยไม่มีที่ซ่อนเล่นเลยธรรมะในที่เราทั้งหลายกล่าวไว้บริบูรณ์แล้วนั่นเองจะเป็นาศาสดาแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงรีบทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่างนี้พระวินยัยเปโกก็สอนบริบูรณ์แล้วพระสูตรทันทเวดกก็สอนบริบูรณ์แล้วพระรพิธรรมะเปโตก็สอนบริบูรณ์แล้ ว, ม, กกลวมีแต่ล่างมือเปิบเท่านั้นพวกเรา สิ่งไหนพระบรมศาสดาไม่สอนไม่มีเลยสอนชาวโล ก, กสอนหมดแล้วเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นพรมสมบัติเต็มภูมิเป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วเป็นธรรมอาธิปไตยคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ใช่โลกาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไต่ไม่ใช่ราชาอทิปไตย พระบรมศาสดาเป็นผู os, ้จําเนธจําแนธทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมได้ถ้ามีอยู่ก่อนเรามารู้ธรรมเป็นหลังฉากของธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ธรรมได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมเต็มภูมิเลยสัทธโมกุลกาตโบเคารพธรรมแบบแจกจมเลย เคารพทำจำํานงด้วยจิตและกายวายกายพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันหมดไม่นรบก้าวพอรบอกันเลยไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสะมาทาศึกษาอยู่ในั้นสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ยืนยันแล้ว บริวณทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางทั้งเบื้องทต้เรยกว่กาไตรเสียขาทำแต่ระวัตระบาตรส่งต่อพระนตรพานหมดกระทู่กระทู่อะไรกระทู่กายกระทู่กายกระทูะ่ใจกระทู่ออกมาจากไหนก็ออกมาจากกระทู่มนโนภูพางคมาธมามโนเสด็่ามโนมายาทั้งหลายกระทู่ทั้งหลา ย, ลายต้องออกมาจากมนโนภพูพางทั้งนั้นถ้าว่าเป็นเอกานิบาตคือให่ ถ้าว่าเป็น so Android, ติกานในบาตก็ออกมาจากกายวายกายใจพระสูตรก็คือสูตรของกายสูตรของวายกาสู э ตรของใจพระปรมาตาย์ก็มัดเข้าที่กายวายกายใจพระวินัยก็พระวินัยกายวายกายใจนี่ว่าเป็นสามถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นหนึ่งก็ใจถ้าว่าเป็นสี่ก็อริยสัจสี่ถ้าว่าเป็นห้าก็ขันห้า ถ้าว่าเป็นหกก็อายตนะภายในภายนอกตาหูจมูกเลี้ยกายใจถ้าว่าเป็นเจดก็กอริยสัจเจเป็นต้นถ้าว่าเป็นแปดก็อัตถังคิกามะค้าแปดอัตถังคิกามะค้าแปดกับไตรสิกขากับศีลสมาธิปัญญาก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าว่าเป็นเก้าก็มัคคีพ้นสีนิพพานหนึ่ง ถ้าเป็นสิบก็กุศลก ร, รมาบทสิบอกุศลก ร, รมาบทสิบหรือทรรมที่สงเคราะห์เข้าในหมวดสิบหมวดสองหมวดสาหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็หมวดแปดหมวดเ้าหมวดสิบที่องค์สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าท่านทรงรัชนาไว้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกวิบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่องเลย ไตรชี้ขาเป็นที่ปกครองสงหรือไม่ก็ไตรสิกขาเป็นที่ปกครองสงอยู่แล้วไตรชิกขาเป็นกฎของเถระสมาคมหรือไม่ก็เป็นกฎของเถระสมาคมอยู่โดยตรงแล้วศีลสมาธิปัญญาก็เป็นการปกครองสงอยู่แล้วไตรชีกขาก็เป็นการปกครองสงอยู่แล้วให้ทาว่าิธีไในนั่นเองปกครองสง ไม่มีอันอื่นถ้าเราบัญญัติขึ้นก็ต้องอาศัยหลักเดิมบัญญัติขึ้นมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมสังคา ย, ยนาครั้งที่หนึ่งพระบระมาศาสดาบอกว่าอยากระตัดศสียขาบวดเล็กน้อยออกก็จงตัดซะ พระอานน์เป็นพระสวัสดิวันแล้วยังไม่จะถามกาบทูลว่าชี้ขบวเล็กน้อยนั่นเพียงแค่ไหนก็เลยไม่ได้กาบทูลซะพอเลยมาเลยมาสงฆ์ทั้งหลายก็ปรับอาบัติพระอานน์ว่าเป็นอวัตทุกบทพระมัวมืออะไรอยู่ต่ออะไรอยู่ทําไมจึงไม่กาบทูลพระบรมศาสดาว่าชิ้ขบวเล็กน้อยนั้นเพียงแค่ไหน ถ้าแต่พวกเราจะตัดออกก็เกรงว่าจะไม่สม่ำเสมอเหตุนั้นจึงคงไว้ตามเดิมเช่นชิคาวดที่เกี่ยวกับนางพิสุณีอย่างนี้พวกเราก็าเอามาสวดอยู่โอวาทวรตที่สามไม่ตัดออกเพราะสวดไว้เป็นเครื่องระลึกเลยปรับอาบัตของพระอานุ์พระอานุนก็ยอมให้ปรับเพราะเชื่อสง์ แต่ที่แท้พระอานนท์ไม่ได้เป็นอาวัตเพราะเชื่อสงฆ์เคารพสงฆ์ก็เลยแสดงอาวัตทุกกฎไอ้ที่แท้พระอานนท์ไม่ได้เป็นอาวัตทุกกฎเพราะองค์ท่านเป็นเพียงพระสวสดา์วันเท่านั้นไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดได้เห็นนั้นจึงไม่กล้าตัดออกและนายอาปัญหานิยธรรมสูตรก็บอกว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระทธ่เจ้าไมันบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่ในสิทธิ้าบทตามที่พระองค์ทรงมัญญัดไว้ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุนั้นเชื่อฟังพ่อยคำของท่านไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาคณะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามนเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วข อ, ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุข ทำเจ็ดอย่างนี่มีอยู่ในท่านผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนี่พระบรมศาสตราสอนไว้มดเลยสิ่งไหนไม่สอนไม่มีเลยมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมจึงมีโรกีมาผนเปคคำสอนพระพุทธศาสนายุ่งเหยิงมากตอบว่าเพราะ เอาคำสอนรัตที่อื่นมาปนเไปพระพุทธศาสนาะมันก็ยุ่งเหยิงสิไอ้ที่แท้พระพุทธศาสนาะเป็นโลภุตระั่งนั้นนับแต่สุฏินโนเป็นต้นไปองค์ท่านจึงยืนยันว่าเป็นสาวกของท่านผมเคยเจอท่านผู้ฉล า, าดมาถามปัญหาเหมือนกันคราวที่ลงไปภูเก็ตพังงากับองค์หลวงปู่เทศ หลังจากถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นพวกพนักเรียนมาถามท่านอาจารย์สมัยนั้นอายุสี่สิบในระหว่างสี่สิบเดี๋ยวนี้แปดิบกว่าแล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารยมหาเนิยกายกรรมยุทธอันไหนดี เรามาศาสนาไม่ได้ใส่ชื่อรือนามว่ามหานิกายหรือธมยุทธ์ใส่ชื่อรือนามแต่เพียงว่าสุพเทปโนโอุโชยยะสาวมีจินับทางมรด้วยเสนาพเิมักเสราพเทผลสักทาไคลมัตสักาจัดเป็นคู่ได้สี่คู่นี่สาวกของเราจะถาคตจัดตาริคู่แห่งวรุษสี่ อาถาพริสา พ, พุกกลานี้บุรุษบุคคลแปดเอสาพะควาโตเศ้ส า, าสร้างโคนี่เนื้อสาวกของพระพุทธมีพระภาคเจ้าไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายหรือธ ร, รมยุตเป็นสาวกของท่านเราก็ตอบเพยงเลยเออพูดอย่างนี้ก็น่าฟังมากความจริงของเราก็นึกอย่างนั้นจริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเร า, ผ, เเราผู้นั้นเห็นธรรม คำสอนจากรัตนบาณฑของพระบรมศาสด า, ศ า, ศามันก็ส่งต่อพระนิพานได้หมดมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บารมีแก่ข้ามาแล้วโชคดีพวกเราไม่ได้ค้นคว้าเลยพระวินัยจะตั้งยังไงหนอพระสมาธิด้านสมาธิจะตั้งยังไงหนอจะบัญญัติยังไงหนอบัญญาจะบัญญัติยังไงหนอเราก็ไม่ได้ตั้งเพราะพระบรมศาสด า, า, า, าทํำไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นอาหารก็ไม่บวชไม่ลาล้างมือแล้วก็เปิบเท่านั้นมันม ด, ดบุญหมดแล้วสัตถังสรรพยัญชนะแกรวรพฤกุรณังปริสุทธังพรมเจะยังประกาศเสดสิสตัมหังปะควันตังตัมหังธรรมังตัมหังสังขังอภิปุชยามีตัมหังสังขังศีรสานามีจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโ ง, ง่ดอกบวัวสีเหลามีไหม ขางพุทธการเทียบไทยดอกบัวสี่เหลา่าดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิแต่ทุกวันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันดอกบานก็บานเต็มภูมิเปรียบเหมือนท่านผู้พ่นไปแล้ว <S <S ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิเ ร, เรียบเหมือนท่านตะเกียบตะกายกําลังอยากจะพ้นอยู่ดอกพ้นน้ําเล็กน้อยจะบานในวันต่อต่อไปอกีก ก็เทียบใส่พระโสดาบันดอกเกลือใต้น้ำก็เทียบใส่กับผู้ถือว่ามันมีบาปไม่บุญผู้ถือว่าไม่มีบาปไม่บุ ญ, บบญคือเสียงอะไรคําพูดเสียงขุดหลุมฝังตัวไม่ใช่เสียงคําพูดคือโรกันตรนรกคือมหาเวจีนรกจนมองไม่เห็นว่ามีบาปไม่บุญก็คือตกนรกขุมมืด ทำไมคนจึงไม่เสมอกันก็เพราะกรรมโมนาวัตติโรกูสัตโลกเป็นไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายพระบรมศาสดามาเทศแต่ละยุคแต่ละยุคก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนค้นโคลบอกว่าในอนาคตต่อไปถึงอย่างนั้นพระบรมศาสดาทั้งหลายก็อุตส่าห์มาเทศโปรดสัตว์อุตส่าห์สร้างบา ร, รมีมาปัญญาที่กะ ศรัทธาทิกระวิริยาทิกระด้วยเป็นคําสอนอันเดียวกันกันไม่ได้ลบร้างพรบกันเลยไม่ได้ตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกให้มากมายอะไรนักและเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะถูกกันแล้วไม่ได้ลบร้างพรบกันเลยจะมากี่ยุกๆกีๆ่ล้านลานก็พรบ อ, อันเดียวกันก็พระราชบัญญัติอันเดียวกันเพราะถูกพอแล้วอันนี้กะสะตะโกตะโยเพระบรมศาสนามากกว่าร้อยปี คี่วงไปเล้วที่จะมาในข้างหน้าก็ดีมาเป็นยุกยุกยุกย ก, ก็เป็นคำสอนอันเดียวกันทั้งนั้นไม่ได้ลบด่างเลยไม่ได้เพิ่มเข้าไม่ได้สัดออกไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฏพักกพวกของชาวโลกพวกชาวโลกทั้งกฎหมายกฎหมู่กดพักกดพวกไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนั่น ทำเียนโรกบาลสองอย่างความละอายตบาบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเอ็มชีหกเอ็มสามสองไม่มีในพระพุทธเจ้าทางห้ายเลยใครเป็นผู้บัญญัติบา บ, บุลคุณโทษถูกก็พระสมานพุทธเจ้า จำพวกเดียวเท่านั้นเหลือหนอกนั่นอย่ามาเออไปเลยสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีเพราะบัญญัติเข้าข้างตัวไม่บัญญัติเข้าข้างธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นเอา้าชาวโลกเพียงมีเสียงฮาท่านเองสงบแลว้วคดีดาคดีแดงในหลวงในศาลก็ไม่มี ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเซ่าตรวนก็ไม่ต้องมีสงครามก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโรงสารก็ไม่ต้องมีเพียงมีศีลห้าประดิษฐ์เท่านั้นเองโดยไม่ได้บังคับให้เห็นเองเป็นสัรทิฏฐิโกภูมิของพระโสดาบัน ปัจทจโตคณมาวสังบันดิตนั่นแหละเป็นผู้คลองเรือนก็หมายถึงพระโสดาบันเป็นผู้คลองเรือนนัทถิพาราปรินายกากะคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้าเน้อบันดิตาปรินายกากรรบันดิตเท่านั้นจึงเป็นคนหัวหน้าพรบรมศาสดาสอนในบทคนพาลไม่ใช่เป็นคนหัวหน้าขณะกิตใดที่มันเป็นพาล อยากให้มันเป็นหัวหน้าของเราถ้า น, อานา้อมมาในทางพ a r a m a t ขณะใดที่จิตมันมีเมตตาคารณาจึงให้มันเป็นหัวหน้า ถ, ถ้าเทียบมาในน้อมเมาในจิตส่วนเราในทางพร r a m a t ส่วนในทางพระสูตรปุะคาาที่ฐานก็ถูกอยู่แล้วคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตเท่านั้นจึงเป็นคนหัวหน้าบัณฑิตาปรินายิกา นักธีพาราปณนายกะคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตจังเป็นคนหัวหน้าหัวหน้าส่วนตัวของเราก็เหมือนกันหัวหน้าส่วนรวมก็เหมือนกันหัวหน้าส่วนโลกก็เหมือนกันหัวหน้าส่วนประเทศชาติก็เหมือนกันเราคนเดียวเป็นโลกไม่ได้เป็นมนุษย์โลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้ เราคนเดียวเป็นคณะเป็นภาคไม่ได้เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอไม่ได้เราคนเดียวเป็นตำบลไม่ได้เราคนเดียวเป็นหมู่บ้านไม่ได้เราคนเดียวเป็นเจ้าบ้านไม่ได้เราคนเดียวเป็นเจ้าวัดไม่ได้อีกเหมือนกันนันคนเรา ต้องอาศัยกันและกันดังนี้ข้าวที่เรากินชาวนาเป็นผู้ปลูกโรงสีเป็นผู้สีพ่อข้าเป็นผู้ข้าขายคนเราย่อมอาศัยกันและกันดังนี้งาะแพ้หมดไตโรคทาตก็ไม่เอาเพราะไม่สนุกทีนี้ทำชันสูงพรบรมศาลากวาร ทำชัดนต้นของสุปฏิปโนพบรมศ า, ศาสตร์ราพศน์สุปฏิปโนมีภูมิสมบัติอะไรบ้างท่านเรียนหนังสือมาถึงนี่แล้วนักทมตีโทยท่านตรงจงตอบมาสิตามความเห็นของท่านที่มีอิสระเห็นใครจะดีวิเศษสักเพียงไหนก็ตามแต่ก็ต้องอาศัย คำสอนพระพุทธศาสนานั้นเป็นแวนเป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดเป็นเครื่องตวงเป็นดิ่งเป็นระดับน้ำช่างไม้ก็ตามช่างก่อสร้างก็ตามถ้าทิ้งดิ่งแล้วไปไม่รอดนักปกครองโรค ก, ก็เหมือนกันถ้าทิ้งคำสอนพระพุทธเจ้าเราไปไม่รอดเอกเหมือนกันนั่น ถึงไม่ถูกทางตรงก็ให้ถูกทางอ้อมแหวนดวงใจดวงธรรมแว่นสองทางคืออะไรคือดวงใจแต่ละท่านละคนอันที่มีคำสอนใะพุทธศาสนาเป็นขอบเขตเป็นศิษย์ก็ต้องมีครูเป็นบุตรก็ต้องมีมิดามา น, นาเป็นศิษย์ก็ต้องมีครูเป็นบุตรก็ต้องเป็นลูกบุตรที่มีลูกมีพ่อมีแม่เป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ที่มีครูยังถูกเพราะเราไม่ใช่ สํามภูเป็นสางกไม่ใช่สมายสัพุทธะไม่ใช่พระปเจศพุทธะสี่จำพวกสมาสัพุทธะจำพวกหนึ่งปเจกัพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาจำพวกหนึ่งพุทธะเป็นเอกเทศสาวโกพุทโธเป็นเอกเท ศ, พ, ททรเเเทศพระสวัสดิวันเป็นสาวโกพุทโธเป็นเอกเทศ พระสกทาคามีนาคามีอรหันเป็นสาวกเต็มภูมิแล้วภูมิพระโสดาบันไม่เสียดายล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะถือรัฐทิอื่นชาัจาพิษฐานานี้พระโพกาตุงอิรัมปีสั้งเครัตนังปณีตังเอเตสเจสุวติวะุกอภิษฐานโทษอย่างหนักหก มาทุกข่าข่ามันดาพิทุข่าข้าเวด า, ว า, า, วาอนัชทุค่าข่าพระรหันโลหิตตุบาททาลายพระพุทธเจ้าให้ยังพระโลหิตให้หอกเกินไปสังฆเพศยังสงฆ์แตกจากกันอัญญสัตว์ทุตเทศไม่ถือศาสตราอื่ น, พ ร, ร น, พ, า น, านพระโสดาวันฉะจาพิถานานี่พระโุทกาลุูอิตําบีสั้งเครัตนังบณีตังเอเจเนสเจสุวสีหอดุูตรอันนี้เป็นสูตรพระสวัสดิวันแท้ๆในรัตนสูตร ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่พระบรมศาสดาก็สอนแล้วเมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขสอกรุณาความสงสารที่จะช่วยบรรพุทุกสา ม, มุทิตาความพรอยเย็นดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสีอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความมีบัตสีอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่พระบรมศาสดาสอนในหมดแล้วสิ่งไหนพระบรมศาสดาไม่สอนไม่มีเลย เราก็ล่างมือเปิดประธานนั้นเราจะพูดเด็ดเดียวจนน้าไหลไฟดับสักเพียงไหนก็าตามก็เล่มก้างพระสมานเาพระพุทธเจ้านั่นเองเราจะเป็นพระทหารในวันนี้ดําดินวินบลนไปก็าตามก็เล่มก้างพระบระมศ า, า ส, สดานั่นเองพระโสดาวันไม่เชืด่ดาย้ลงละเมิดศินห้าไม่เชื่อไดอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เชื่อไดอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เชื่อได้อยากจะถือเรื่องิญามนีไม่เสียดาย อยากกระจองเวรท่านพทาโกรธอยู่แต่ไม่ถือกระจองเวรเพราะโกรธอันญ ย, ยาบยาขาดไปแล้วไม่คืนมาอีกโรคอันห ย, ยาบก็ขาดไปแล้วหลงอันห ย, ยาบอยาก็ขาดไปแล้วเหตุนั้นจึงปิดอบายภูมิทั้งสี่ซักสิ่งที่จะทำให้ไปตกนรกหรือเป็นสัตว์ตเดรัจฉานได้เปดตไม่มีเพราะตัดทิ้งแล้วไม่ใช่ได้อย่างรวงเร้วเลยไม่ใช่ได้อย่างรวดเร็วสิ้นห้า เขาเห็นชัดแลว้วสักกยะทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวในคําสอนพระพุทธศาสนาะวิจิจิสาไม่ลังเลในพระพุทธศานะสนาศีรพัตปรามาตไม่ลวกคําพระพุทธศาสนาะเนื้มาสูถปฏิปันโนลงโออยู่กับธรรมของพระบรมศาสตร์ดาถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จากเท่าเข้าสู่พระพา槃ไม่ว่าแต่ทุติตตินะ ท, ทุติตติหมายความว่าปฏิญญาณให้เหมาะสมกับเวลาเฉยๆไอท้ทีเทถึงตราเท่าเข้าสู่พระนียรพานถึงไตรสนาคมไม่สงสัยเลยไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่ถอยหลังเอข้ิพิธีก็ต า, ามโกลังโกละก็ต า, ามสัตตะคตูปรมะก็ตา ม, าาามไม่สงสัยรลังเลยเลยเดินรุดหน้าไปสู่พระหันไม่สงสัยจะแวะเลย ไม่สงสัยจะถอยหลังอีกด้วยเดินชา้าหรือเร็วไม่เป็นปัญหาพระจึงไหนไม่สงสัยสิ่งนั่นก็ตั้งใจเดินตามสบายไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายมุกอีกด้วยไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพัน์ไม่เสียดายค่าขายเครื่องปะหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตเป็นไรนั่นสัตที่ตัวข้าพคเป็นอาหารค่าขายล้ะเมาค่าขายยาพิษ ที่เห็นปฏิบัติทางเล่มนับแต่จตุกะกรมมะกิเลศจนถึงเกียรติข้านทางานมีโทษตกนั้นแหละคือภูมิของพระโสดาบันไม่ใช่ภูมิของพระโสดันโสดาโสคาตคเนเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วสักทาคามีอนาคามีอาหารหันก็เปิดประตูไปเองถ้าไม่ถึงแล้ว ก็เป็นน้ำไหลายวนก็เป็นคนหลายใจยังเป็นโลกียอยู่ที่เอาโลกีมาปนไปพระพุทธศาสนาก็พระขบพระพุทธศาสนาไม่แตกจึงยุ่งเหยิงกันอ้ทิแค่ศีลสมาธิปัญญาของพุทธศาสนามีโลกกตระเบื้องต้นเป็นลำดับยังดีกว่ายันดีในโลกทั้งปูงสนใจในทางพระพุทธศาสนาขนกินเดียว ยังดีกว่าสนใจทางอื่นและล้านคณะจิตนั้นพระพุทธศาสานามีทั้งสังขโหอสังขโหมีทั้งสงคราะและไม่สงเคราะไม่สงเฆะก็ยาวเหยียดออกไปจากใจถ้าสงเคาะก็สงเฆะลงมาหาใจศีลจัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจถ้าจะปรารบในด้านปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติง่าย ปัจจุป น, นันจจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม้งอแงอ่อนแน ค, คลนเลยทำคำสอนแต่ระบระบาบมาจากครเพโนผุ้พังทั้งนั้นถ้าพูดยาวก็เรียกวัาถีขวักถ้าพูดสั้นก็เรียกว่าจุนละวัดถ้าพูดขนาดกลางก็เรียกว่ามัตเิ ม, มาวัด พระหูว จ, จะนะก็ออกไปจากเอกว จ, จะนะนับทังหมื่นทั้งแสนทั้งล้านก็นับออกไปจากรักหน่วยถ้าจะย่นลงมาก็ย่นมาหารักหน่วยเหมือนกันชั้นใดก็ดีแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็ขยายออกไปจากปัจจุบันถ้าย่นมาก็ย่นมาหาปัจจุบันอดีตคืออะไรคือนิทานของปัจจุบันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไร คือนิทานของปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยทรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม้งออนแย่คอนแคลนเลยพระบรมศาล า, าสอนนึ่งอดีตคืออะไรอดีตก็คือขันห้าที่รองไปแลว้วอนาคตก็คือขั้นห้าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือขั้นห้าที่กําลังเป็นอยู่นี่ว่าด้วยวิปัสนาทําไมจึงว่าวิปัสนาธุระ ก็ธุระทางปัญญาไม่ใช่เสียนธุระไม่ใช่สมาธิธุระก็ปัญญาธุระปัญญาเป็นนายหน้าของทำทุกหมวดถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาเสียนไม่ได้เออขอรับขอสับขอรับขอสับมีอยู่ทำไมไม่เกาะ พูดมากก็มากออกมาจากไกลพูดน้อยก็น้อยออกมาจากไกลทําแต่ละบทละบาทส่งต่อพระนิพพานมดณโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานณโมเปลว่นอบน้อมณโมพระโสดาวันนอบนอบไม่หลงทางณโมพระกะทาคามีละเอียดไปกว่านั้น นโมพร ะ, ะอนาคามีนออนนออไม่มีราคะไม่มีโทสะนโมพระหันนออนนอนจนจบไม่มาเกิดแก่เก็บตายไม่มีโรคมีโกรธมีหลงเสียแล้วนั่นพุทธทางเสนังคัดขาไม่ขมอนกันไตรสนาคมของพระสสดาวันคมจนไม่หลงทาง สักคาคามีล้วอยากไปกว่านั้นใจสนาคมอนาคามีระอยัดไปกว่านั้นใจสนาคมอ า, า, มอ า, ามอหารเรียนใจสนาคมจบแล้วคมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายไม่โรคไม่กวดไม่หลงเลยสูตรแต่ละสูตรตรงต่อพระเพชานลหมดมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมะสมมโพธิการจรึงไม่มีปาราชิกสีสังคาที่เจ็ดสิบสามอนยอดสองเป็นต้น นิสกีปัญญตีสามสี่ปัญญตีก้าสิบสองปัญญ ต, 2, ญญตส 7, 5, ีสี่สิเสีีวะเจ็ดสิบห้าอธิการณะสมถะมีเจ็ดทำไมจึงไม่มีแต่มันก็มีอยู่ในตัวและทั้งขิโกมะโคเสยยะธีลังสัมมาทิฏฐิสัมมาทังกปรวาจาก็มันโตอาชิวะอายโมสติสมา ธ, มมาธิมันมีในธรรมจักกปวัตตาสูตรมันก็ครบไตรซีขาอยู่ในตัวแล้วครบแปดหมื่นขีพระธรรมขันอยู่ในตัวแล้ว แปดมื 80, ่นสีพระธรร ม, มขันธ์ก็ไม่ใช่ว่าทําอันอื่นก็ทําอันเก่าไปแสดงให้คนนั่นฟังอย่างนั้นแสดงให้คนอย่างนี่ฟังอย่างนี้แล้วเอามารวมกันไว้สี่เจพราภาษาก็เรียกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, มขันธ์ไอ้ที่แ ท, ท้แต่ละวัละบาทครบใจที่ขาหมดถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะข้ามทะเลลงได้ถ้าไม่ครบ ผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนั้นเป็นสมถะหรือปรัสนาเล่าตอบในสนามหลวงก็ตอบว่าเป็นสมถะพระผู้ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโขสามารถถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถถึงอัปนาสมาธิตอบในสนามหลวงก็ตอบอย่างนั้นถูกถ้าตอบในฝ่ายปฏิบัติไม่ได้ตอบอย่างนั้นผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนั้น จะว่าเป็นสมะถะหรือปัศนามก็ไม่เชิงเพราะมันขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนที่สร้างวารมีแก่กล้ามาแล้วเหตุนั้นผู้เพจกักท้าพุญญตาก็ดีจึงมีไว้ผู้จะทำความดีในฟังก่อนยกกราทอนเช่นภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เห็นคำวิธีกรรมเกิดดับอยู่ก็จัดเข้าเป็นวจีสังขารเกิดดับพักลงสู่ใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ชวนคุณของพุโทโธไม่ใช่ทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นพระมหาอนันตคุณไม่เกิดไม่ดับไปไหนถ้าเขาพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดจะว่าสมถะมันก็ไม่ถูกต้องมีวิวปัสสนาสัมปยุตถ้าให้เราตอบในสนามหลวงเราจะตอบอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเพราะเราได้มาปฏิบัติแต่เราไม่ยังไม่ได้มาปฏิบัติเราก็ตอบตามหลักอ น, นั้นยกุทาหอ ผู้ภาวนาและโชและนังและชังฮัรติมันก็น่าจะเป็นวริกรรมภาวนาฉะนั้นจึงแต่ชาในพระดิสัมภิาสีเล่าก็เนื่องด้วยปัญญาไม่อยู่ระดับเดียวกันเราจะพูดอางนี้ชนเช่นบางท่านก็บอกว่าเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเออครับพอแล้วก็เพราะเหตุไดก็พระบารมีแก่ก้ามาแต่ชาติก่อนแล้ว แต่ข้างผักบันไดของพระเจ้ากัตปะพระพาหิยะทำไมจึงว่าพอแล้วและให้คะแนนแจกขาแนวปีิสัมพินา์ีด้วยท่านเทศอะไรจึงเทศอย่างนั้นก็เทศ อัตวาทุปาทานไม่ให้ถือมั่นวาทะวาตนวาตัวนั่นเองคือเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นไม่ให้ไปยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองทําลายอัตวาทุปาทานเมื่อทําลายอัตวาทุปาทานแตกกระเจิงได้กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีรพพตุปาทานก็แตกกระเจิงไปนที่นั่นเองไม่ต้องเลียงแบบอวิชชาตันหาอุปทานกคำพบชาติชรามนลโศกอิเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตเลยที่ท่านเรียงแบบ ที่ท่านขยายออกให้เห็นอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะพัสส า, าวะเทนาตันหาอุปทานดับนั้นก็เพราะเรียงเพื่อให้ท่านผู้อื่นเข้าใจชัดเฉยและเพื่อให้สมภูมิพระบรมศาสดาด้วยแต่เมื่ออวิชชาแต่กระเจิงไปแล้วก็ไม่ต้องเรียงก็ได้มันก็แตกไปหมดเพราะสายโซ่มันคล้องคออยู่แล้วตัดขาดที่ไหนก็หลุดไปเลย สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นเอา้าทําแก้าพระบาททรงต่อพระยพานระษารีบุตรกับพระบรมศาธาิดาไปพักอยู่ที่ถ้มสุกราาตาสุกรนคาตาข้างภูเขาคิจกูดที่คณะกะ อคิเวทชนะโคดเข้าไปกาบทูนธรรมะพรบรมศรราสตราระเทศสูงขึ้นไปจนถึงขั้นห้ารูปเวชนาสัญญาสังขานวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงดุดดังหัวฝีเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปเธอจงรู้ตามเป็นจริงสักทีาคณะอาคิเวทชนะโคดดูปรากฏว่า สำเร็จพระสวสดาวันชวนพระมหาสารีบุตรทำงานพัดอยู่ข้างหลังสำเร็จพระรหันต์ไปแล้วนั่นนั่นทำคำสอนอันเดียวกันกันเดียวกันคนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งไปสวรรค์คนหนึ่งสุถึงสุภจรปโนคนหนึ่งถึงอุชุชนคนหนึ่ถงถึงสามีคนหนึ่งถึง ป่าชนะพระปเจดคนหนึ่งป่าถนาพระสัมม า, าทัตพุทธเจ้าคนหนึ่งประมาทพระองค์ลงสู่นรกก็มีนั่นแหละเพศกันเดียวกันเหตุ น, นั้นจึงยืนยันว่าทำแต่ระบทระบาดส่งต่อพระเนพานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังที่แก้ข้าหรือไม่แก้ข้าทีนี้พูดคนเดียวหน้าเบื่อพวกคุณทั้งหลายจะปลารบอะไรก็าปลารบมาซะ ทำทั้งหลายไม่มีเอวังเกเก็บตายก็ไม่มีเอวังไม่มีกลางวันกลางคืนปืวยเน่าก็ไม่มีเอวังใครจะฟังหรือไม่ฟังไม่เป็นปัญหานักเทศเอกคืออะไรก็คือความจริงอริยสัจจทั้งสีนั่นเองเทศยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนชาติพิทุกษ์ขาคาเดียวตูมท่ดทั้งไตรโรกทานเลย เพราะใจโรกธาตุมีชาติเป็นทุกข์เห็นอ น, นิจจังขณะจิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกข์ขณะจิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาขณะจิดหนึ่งเขเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันเมื่อเห็นอ น, นิจจังชัดก็มีทุกข์สัมปยุติอยู่ในที่นั่นด้วยก็มีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสัมปยุติอยู่ในที่นั่นด้วยไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกอยู่ที่แห่งเดียวกัน เห็นนังก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกด้วยเพราะอาศัยอยู่ด้วยกันเคยเห็นหน้ากันไหมเคยเห็นอยู่แต่ไอ้ที่แท้เขาเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันจะพูดอักษรย่อพุทโธก็มีธรรมโมส่งอยู่ที่นั่นก็มีสังโฆอยู่ในที่นั่นด้วยเป็นเชือกสามเกี่ยวกลมกลืนกันอยู่ข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงนอกจากใจ ไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็มามีอันใดจะหลงใจนอกจากใจก็มามีอันใดจะปฏิบัติใจย่นลงมาแล้วเป็นเอกานิบาตนนอกจากใจก็ไม่มีอันอใด จ, จ, จ, จ, จ, จะทําลายใจใจเท่านั้นทําลายใจ อันอื่นมาทําลายไม่ได้ใจเท่านั้นทําประโยชน์ให้ก่อัตหิอัตโนโนาโถจนจะเป็นทื่อของตนก็คือใจเป็นทื่อของใจตามสมมุติจะปฏิเสธไม่ได้นอกจา ก, กจิตไม่มีนายจะปฏิบัติจิตจิตตั้งทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนําสุขมาให้จิตไม่ได้นําสุขไปให้เดิยนฟ้าอากาศเลยจิตไม่ฝึกฝนก็นําทุกขมาให้จิตไม่ได้นําทุกไปให้เดิยนฟ้าอากาศเลย กำไดใครก่อก็คือจิตเป็นผู้ก่อขึ้นพระพุทธศาสนาเทศทั้งยน่นเทศทั้งขยายเทศทั้งสั้นเทศทั้งยาวจงทําจิตแท้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายบางทีท่านจะเทศน้อยท่งประเทศอย่างนั้นจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทําดีอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทําชั่วเลย เขียนมากก็ต้องลบมากเขียนน้อยก็ต้องลบน้อยใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นก็จิตใจเท่านั้นเป็นต้นบัญยัตไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้มันมันก็ใส่ชื่อว่าใจใจใจใจมันก็ใส่ชื่อว่าตาหูจมูกเล่งกายแต่ตาหูจมูกเล่งกายไม่ได้ใส่ชื่อหรือนามให้ใจใจก็มาใส่ชื่อตอนเองว่าใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใช่หรือไม่ ตาเอา๋ยหูเอ๋ยจมูกเอ๋ยนี่นเอ๋ยกายเอ๋ยครับผมเขาเข้ามาไหนรับปัดเขาเข้ามาไหนปัดโอเบะขาเขาเข้ามาไหนโอเบะขาใจไม่มีผู้ใส่ชื่อเลยนามให้ตนก็ใส่ชื่อตอนว่าใจใจใจแต่ไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนะครับข้ามพ้นทะเลหลวงก็คือข้ามใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจว่าเป็นตนตนเป็นใจก็ข้ามทะเลใจไปแล้วถ้ายังยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจ ตามสมมุติยืนยันอยู่ขาเดียวดิง่งไม่รับไม่ปัดออไม่ผ่พนปลนยึดบั่นถือมัน่นจนเลยเถิดก็ไม่ถูกสมมุตกิก็จริงตามสมมุติวิมุตติก็จริงตามวิมุตติไม่เอาสมมติและวิมุตติมาเป็นสงครามกันสมมุตกิก็จริงตามสมมติปฏิเสธไม่ได้ ถ้าของไม่มีอยู่ก็สมมุติไม่ขึ้นถ้าดินไม่มีอยู่ก็สมมติไม่ขึ้นดินน้ำไฟลมดินก็ไม่ได้รับไม่ได้ปัดครับค ร, รับก็ไมาแน่ว่าเราก็ใส่ชื่อหรือนามเพื่อให้รู้จักความหมายกันฉะปัญญติโยตาหู้จมูกเลี้ยงกายไดท่านก็บัญญัติพอแล้วเออไป ไปห้องถ่ายห้องถ่ายเห็นไหมนี่ห้องถ่ายนี่นี่สิ่งไหนพระบรมาศาสราไม่สอ น, นมีอา้าตอนไหนไม่สอนบอกมาแยกมาไม่มีพวกชาวโลกจะอวดดีต่อพระพุทธศาสนาว่าด้อยมันก็ไม่ถูกชาติเป็นกาลเกตชาติเป็นจำปาสี่เท่า ทางทุจกระดิษทาไม่เป็นธรรมจำปาสี่เท่ า, าชี้ อ, อย่างนี้ชี้ใส่ใส่ยักษ์โผลู่จงนอนอยู่ที่นั่นชูจะตายใช่าจากนั้นก็ตายสูจงคืนมาสะ่จากนก็คืนมาแต่อันนั้นพระบรมศาสดามาเนี่ยเอามาสอนในขั้นสุด้ายเป็นเพียงเล่าเรื่องชาติขอนให้ฟังเฉยๆเพราะไม่เป็นนิยานี่ก็ททำนามสักทางายออก ะ็ภาษาโลกอะไรทุกวันนี่ลูกระเบิดนิวเคียนิวคราไม่ได้แบกยากันจ ะ, านะจะปาสี่ต้นชี่อย่างนี้สู้ตายซะสู้มาสู้กูอืมก็ตายเลยสู้คืนมาซะก็คืนมาเลยจะปาสี่ต้นชาติที่บบ ร, รมศาสตราใช่ชาติเป็นห้ารห้าสิบธาตไม่ใช่สิบาติห้าสิบาติใช่ใช่าติเมื่อเขาคืนมาแล้วสู้จง ร, รักษาเสียน่าเน้อ นั่นเกงกว่าโรกอกโขเนี่ยนั่นจะภาษาอะไรพวกโลกเราเราเย็นดีไม่ได้เบืองคำคิดเลยเพราะท่านสอนหมดแล้วพระบรมศาสดาสิ่งที่ไมไ่สอนไม่มีเลยสอนพระก็ดีสอนโยมก็ดีสอนหมดแล้ว คำสอนพุทธศาสะนาะจะสอนสั้นสอนยาวก็ตามสอนเพื่อให้ออกจากวัฏสงสารทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้อยู่สอนอย่างถึงพระานเลยทำอันนี้เป็นคำที่แม่กว่าเริ่นช้าพรมบรมศาสตร์ไฟไหมหัวอยู่อย่าไปนอนใจผู้ใดยินดีในวัฏสงสารก็คือยินดีในลุ้มฐานเพลิงนั่น ผู้ใดเห็นภัยในวัดตสงสารอย่างเต็มที่ผู้นั้นก็เปิดประตูพระนิพพานแลยพระโบรมาตาผู้หวังพ้นทุกข์ในวัดตสาสงสารก็ไปทางรักผู้บาลีมีแก่ก้าไมาพิจารณาไตรลักษณ์เลยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไ ด, ได้ในโลกร่วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนัตตาเดาสงสัยในนะาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย ถ้าไม่หลงใจก็ไม่มีอันใดหลงถ้าไม่หลงใจก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วเอสาบรโตทุกขะตะเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์พระเชิตป็นพิจารณาเรียงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพื่อนให้ภาวนาอันนั้น เตือนให้ตื่นตัวเรายินดีในที่แขงแกหรือไม่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้เมตเกอขืนในเวลาเพื่อนมันมาชิดถามในการภายหลังเพื่อนมันไปชิตถามเรื่องสมาธิสมาบัตรเราก็ตอบได้เรื่องปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เราก็ตอบได้ถ้าเรายินดีในที่แงแก วัตถุนิยมพระบรมศาเจ้าโคชมมยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกกระายจะทําขึ้นหรูหรามัธเพียงไหนก็ตามก็วัตถุนิยมก็ทําขึ้นจากดินน้ําไฟลมนั่นเองแต่ก็แตกไปลงไปเป็นดินน้ําไฟลมนั่นเองส่วนจิตใจทำบุญมากก็ไปห้าบุญทําบาปมากก็ไปห้าบาปถ้าไม่มีบุญไม่บาปถ้าพ้นจากบุญบาปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานถ้าบาป ก็ละพอแล้วบุญก็สร้างเต็มแล้วก็เข้าสู่พระเนรพลไปสักทำไมจึงว่าอนัตตลคราสูตรก็ข้าสูตรที่ไม่ใช่ตัวตนสูตรที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้นกรรมฐานลงมาเป็นสองสิ พิจารณารูปเป็นเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปกรรมฐานพิจารณานามเป็นอารมณ์เรียกว่านามกรรมฐานรูปและนามอยู่แต้อำนาจอันยิ่จังเกิดขึ้นแล้วก็แพร่วลุนได้แตกสลายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเกิดขึ้นแล้วก็แพร่พลุน้แตกสลายเหมือนกันนิมิตเห็นเทวดาเห็นอินเห็นพรมพยมพกาญจะตรลกบานทั้งสี่หรืออันใดอันหนึ่งก็ตามก็เกิดขึ้นที่นั้นก็แปร่วลนในที่นั้นก็ดับไปที่นั่นเองนิมิตเห็นแก้วใสใสยอยู่ที่หัวใจของมันกัน ถ้าตายคาอันนั้นก็ไปเกิดในรูปภพเพราะยังไม่มียานพ้นทุกข์ถ้ามียานพ้นทุกข์แล้วก็เข้าสู่พระน槃ถ้าไม่มียานพ้นทุกข์ตายคานิมิตเถียนดวงแก้วใสๆก็ต้องไปเกิดในพมโลกถ้ามียานทัพยุยธดราพ้นทุกข์แล้วมายึดถือสิ่งใดๆ ใ, ในโลกก็จึงจะเข้าสู่พระาน อดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ผู้ใดมายึดถืออดีตอนาคตปัจจุบันท่านผู้นั้นข้ามเทลอยลงไปแล้วรู้อดีตตามเป็นจริงอดีตรู้อนาคตตามเป็นจริงอนาคตรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามท่านผู้นั้นข้ามเทลอลงไปแล้วพระบรมศาสนาเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติ เรารู้วิมุตตตามเป็นจริงของวิมุตตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเหตุนั้นเวียญามปฏิสนธิของเราจึงไม่มีพระบรมสาราที่เราบัญญัติว่าพระบรมสาราเสวยวิมุตติสุขอยู่ในอัชบารแลนิโคตรคดีราชายตนะตคดี อันนั้นเราสมมุติทั่วเป็นปกบพราติฐานเพื่อให้รู้จักความหมายกันไอที่แท้พระบรมศราสดาสําคัญตัวอยู่ในที่ใดใครเขาทราบไม่ได้เพราะเป็นพุทธวิสัยตั้งใจปฏิบัติพวกเราถ้าพวกเราไม่ตั้งใจปฏิบัติจะให้ผีตัวไหนมาตั้งใจปฏิบัติบางคนเขาถามว่าหลวงปู่บวชมาเพื่ออะไรเขามาถามหลวงปู่อย่างนี้ก็มีวัวหลวงปู่บวชเพื่อปัจจัยสีหรอกหรือเขาถามอย่างนี้ก็มี พระเจ้สีมันเป็นเรื่องของผู้อื่นเขาจะให้เรามีสิทธิ์บวชเราก็บวชเขาจะสมควรให้หรือไม่สมควรให้มันก็เป็นเรื่องของเขาเวลาเราไปบินทบาตเก็เป็นสิทธิ์ของเราส่วนจะใส่ให้หรือไม่ให้มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็ไปตามเรื่องของเราส่วนเขาที่จะเขารับรับถือหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่บวชเพื่อปฏิบัติท้นทุก็มีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นตอบเขาอย่างนั้น ตำแหั่นสูงของหลวงปู่มัน่นเวลาปีนั่นท่านอาจารย์ท่านทองคํ่านอาจารย์ทองคำกับท่านมหาเสียงไปแต่งมุดตโตไทยของของหลวงปู่มัน่นแล้วอธิบายเข้าข้างตัวมุดตโตไทยเดี๋ยวนี้หลวงปู่มหาแกมดแล้ว หล้วผมมาหาบัวแก้วมาแล้วเดี๋ยวนี้มุดตัวไทยเริ่มแรกในในขณะนั้นกำลังโชคโฟนจับรอถวายพระเพลิงอยู่สามเดือนท่านาในการมหาเสียงพุทธศูนย์ปหกไปแต่งคำเทศของหลวงปู่มั่นในเวลางานนั้นหลายพันฉบับ หลวงปูมหานีไม่ได้ไม่ได้แต่งหรบกำลังปฏิบัติโยกตันเราครับอยู่ในระหว่าง5า้าพัษาสมัยนั้นห้ 5, าษาหกพรษานี่ห้าพรรษามุตโตไทยพันธ์อาจารย์มหาเสียงเขียนแล้วเสียนหวัดเค็มมาเสียนหวัด ก, ดกับขันธ์าจาร์ทองคำ ก บ, บวชอีกแล้วอาจารย์ทองคำก บ, บวชอีกแล้วราศิกขาก บ, บวชอีกแล้วได้ยี่สิบพรรษาใช่ไหมนั่นก็เลยราศิกขาก บ, บวชอีกแล้วมาเยี่ยมสี่ห้าวันนี่มาเยี่ยมามาเยี่ย ม, มเยยมนี่ยอาจารย์ทองคําทีนี้นังนถืออันนั้นธรรมะชั้นสูงบอกว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แต่ว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้ถ้าเป็นบวกกับหนึ่งก็เป็นศีก ไปบวกกับสองก็เป็นยี่สิบไปบวกกับสามก็เป็นสามสิบตลอดทั้งหมื่นแสนล้านไอ้ที่แท่คําสอนพระพุทธศาสนาคำสอนหลวงปู่มันมาเนี่ยพูดอย่างนั้นถ้ามัมีที่อยู่ไปอยู่ที่ศูนย์จะว่าศูนย์มันมีค่าก็ไม่ได้คํานี้ท่านสูงของหลวงปู่มันไปกล่าวตูอย่างนั้นเราก็มีคําแงลงใช่ี่ยถ้าจะว่าศูนย์มันมีค่าก็ไม่ได้ศูนย์มีค่า ข้อศูนย์ที่มีค่าก็เพราะมีผู้ประยุทธ์ถือเอาเป็นเจ้าของไม่ว่าอะไรไม่ว่าแต่สวนเลยขี่เป็ดขี้ไก่มีผู้ประยึด์ถือเอาเป็นเจ้าของก็ก็มีค่าทั้งนั้นไปรัดเอาของเขาก็เป็นฟารายชีสค่าราคาถึงบาทนะเขาพูดอย่างนี้สิ่งที่ศูนย์ที่มีค่าก็เพราะมีผู้ประยุทธ์ถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้ประยุทธ์ถือเอาเป็นเจ้าของแล้สิ่งทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพเดิมเป็นธรรมชาตินะก็วางอยู่นะเช่นนั้นเองที่ธรรมะหลวงปู่มั่นช่านสูงมาเนี่ยพูดอย่างนั้น ท่านมหาท่านมหาเราได้เย็นอยู่เราได้เย็นกระผมเราท่านมหาท่านมหาท่านมาว่าให้หลวงปู่มหาบัวเพราะอยู่ด้วยกันถ้าสําคัญตัวว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นนี่คำท่านถูงของท่านถ้าสําคัญตัวว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นคำจะย่อของท่านถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนศูนมันก็ไม่ถูกถ้าไปอยู่ในที่ศูนย์ศูนย์สคัญเราไปอยู่ที่ศูนตายคานั้นก็ไปเป็นรูปประพมใช่ไหมนั่น เพราะยังมีพระปฏิจจภูมิอยู่นี่แล้วก็เคยเลยเขียนหาหนังสือหาหลวงปู่มหาที่นี่โอกาสท่านอาจารย์มหาก็ผมได้อ่านหนังสือที่ว่าประวัติออมุต่ตไทยขององค์หลวงปู่มั่ที่พิมพ์ขั้งแรกนี่เอง ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์อย่างนี้กระผมเข้าใจว่าทำชีทาทาชีว่าประวัติและทำคำสอนขององค์พระพระอาจารย์ของเราให้ํำรุงไม่ตรงกับคำหมายเพราะผ <c oughs> ู้แต่งผู้แต่งหนังสือเป็นนักเรียนก็พูดเข้าข้างตัว ไม่ไปฏิบัติมีแต่คําพูดเพะอ่นันวันหนึ่งที่พวกกับผมกับท่านอาจารย์อยู่กับรงค์ลพบุญนนั้นฉันยังหันแล้วหมูหนี้ไปหมดแล้วยังเหลืออยู่แต่กับผมกับท่านอาจารย์กับท่านอาจารย์วันสามองค์องค์ลพบุนก็พูดว่าท่นมหา ถ้าไม่มีท่านมหาถ้าทําความตัวว่าเเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นทํานชั้นสูงท่านพูดขนาดนี้แล้วข้าเราก็ลงมาย่อๆท่านอาจารย์มหาคงจะรู้อกได้เราก็อ่านท่านเป็นพยานเลยถ้าอย่างนั้นทีว่าประวัติของทา่านผู้ใดก็ตามจะแต่งมากแต่งน้อยขัาเปลี่ยงไหนกอตามมันสำคัมคันมันสําคัญอยู่ที่ธรรมะชั้นสูงครับ ธรรมะชั้นต่ำไม่ทํากันจะแต่งเป็นเล่มขนาดนี้ก็ตามจะแต่งย่อๆก็ตามสําคัญธรรมะชั้นสูงคือประวัติของใครก็ตามก้าวเนื้ออย่างนั้นนี่ท่านอาจารย์มหาได้รับจดหมายจะแต่งใหม่ด้วนี่แต่งใหม่เป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ผีบ้าเลยถ้ตกลงเอ่ยด้วยอาจารย์มห า, าเออผีบ้าตัวนี้มันทําไมมันจําได้แค่ละว่าอย่างไแล้วก็อ้างท่านที่ท่านอาจารมหาก็ฟังนั่งฟังอยู่ที่นั่น นั่นพระ อ, อาจารย์มั่นเทสรอาจารย์มหาเนี่ยเองแด่ว่ากับผมก็อยู่นั่นท่านอาจารย์วันก็อยู่นั่นหมู่ลงไปหมดแล้วท่านมหาถ้าสาคัญตัวอวสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นนี่หมายความว่าวิปัสสนาตรงโจงทาชั้สูงชุดยอด